ราชสีกับหนูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชสีตัวหนึ่งครองป่าใหญ่วันหนึ่งหลังจากที่ราชสีกินอาหารเสร็จราชสีก็รู้สึกง่วงเลยพล่อยหลับไปใต้ต้นไม้หนูตัวเล็กๆตัวหนึ่งเห็นเขาเข้าและคิดว่าถ้าลองไปเล่นกับเขาคงจะสนุกน่าดูเจ้าหนูเริ่มวิ่งขึ้นลงบนตัวราชสีมันวิ่งไปที่บนหางของราชสีและสไลด์ลงมา ราชสีติงขึ้นมาด้วยความโกรธและคําราเขาจับหนูขึ้นมาด้วยอุ้งมือใหญ่ๆของเขาเจ้าหนูพยายามดิ้นแต่หนีไม่ได้ราชสีอ้าปากพยายามที่จะกลืนหนูลงไปเจ้าหนูกลัวมากท่านราชาข้ากลัวมากเลยได้โปรดอย่ากินข้าเลยนะให้อภัยข้านะครั้งนี้ปล่อยข้าไปเถอะข้าจะไม่ลืมเลยแล้ววันหนึ่งข้าจะได้ตอบแทนบุญคุณท่าน ราชสีขบขันไม่คิดว่าหนูจะมาช่วยราชสีอย่างเขาได้แต่ราชสีก็แผ่อุ้งมือออกและปล่อยหนูไปขอบคุณมากท่านราชายข้าจะไม่ลืมความมีเมตตาของท่านเจ้าโชคดีนะที่ข้าเพิ่งกินอิม่มเจ้าไปได้แล้วอย่ามากวนใจข้าอีกไม่งั้นข้าจะกินเจ้าซะเลย <c oughs> หลายวันหลังจากนั้นราชสีก็เดินเล่นในป่าของเขา ในพานได้วางกับดักสิงโตเอาไว้ในพานเข้าหลบซ่อนหลังต้นไม้หวังว่าสิงโตจะมาติดกับดักและราชสีก็ติดกับดักในพานดึงราชสีและจับเขาไว้ในแห ร, ราชสีเริ่มที่จะคำรามดังขึ้นเรือ่อยพยายามที่จะหนีแต่ในพานก็มัดแหะให้แน่นขึ้น พวกในพรานกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อที่จะเอารถเข็นมาขนย้ายตัวราชสีราชสียังคงร้องดังเช่นเดิมสัตว์ทุกตัวรวมไปถึงเจ้าหนูได้ยินเสียงคำรามราชาอยู่ในอันตรายข้าจะต้องไปตอบแทนบุญคุณทันใดนั้นเขารีไปหาราชสีไม่ต้องห่วงท่านราชาข้าจะปล่อยท่านเองเจ้าหนูปีนขึ้นบนกับดักและใช้ฟันเล็ ก, ลกๆคมคมของมันกัดเชือกให้ขาด สุดท้ายแล้วเขาก็ปล่อยราชสีออกมาจากกระดักได้ราชสีตรรดากว่าหนูตัวเล็กๆ ก, ก็สามารถช่วยราชสีอย่างเขาได้ขอบใจมากเจ้าหนูข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกอยู่ได้อย่างสบายในป่าของข้าเลยเจ้าช่วยชีวิตราชาเอาไว้ตอนนี้เจ้าจะได้เป็นเจ้าชายแห่งป่านี้ขอพระทยมากท่านราชาไว้เจอกันนนเพคค่ะท่านราชาโอ้เจ้าจะไปไหนนั่น ไม่อยากจะมาเล่นบนหางข้าหรือเจ้าหนูเริ่มกระโดดขึ้นหลังเขาแล้วเลื่อนลงมาตามหางของราชสีหลังจากนั้นไม่นานในพรานก็กลับมาด้วยรถใหญ่เพื่อที่จะมาขนย้ายราชสี ราชสีและเจ้าหนูเห็นพวกเขาราชสีเลยรีบวิ่งมุ่งหน้ามาอย่างพวกเขาราชสีคำรามด้วยเสียงดัง<ะ>ในป่านตัวมากจนต้องวิ่งหนีกลับหมู่บ้านไปราชสีและเจ้าหนูเป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นตลอดกาล